มีกฐินเลยว่ากฐินทานมีการเวลาอยู่ช่วนระยะหนึ่งเดือนถ้าไม่รีบก็ไม่ได้ทำเพราะวัดนั่นพระต้องครบห้ารูปพะครบห้ารูปแล้วมีจิตสธามาปักเอาไว้เพราะฉะนั้นออกตนนด้าโจมจึงแสวงหาสถานที่ที่มีพระเจ้าพระสงค์จำพรรษาห้ารูป บางแห่งอยากทำมากเกินไปก่อนพระรูปเดียวก็ไปทำกันมีขา่าวมีขา่าววิภาควิจารณ์กันไม่ได้กินหรือว่ามันเป็นกระินหรือไม่เป็นกระินตามหลักพุทธานุญาตไม่เป็นเพราะว่าต้องพระจำปัรษาไม่ขาดเห็นไหมพิธีกรรมเมื่อกี้ถ่าพระไม่ครบจะทำได้ไหมอัปโลกน ก, กรรมสี่รูปสวยดยติกรรมอีกสองรูป ถ้าไม่พอก็เอาจากที่อัปโรกนักกรรมคือปดียงสงก็ว่าอัปโรกอัปโกปรกปดียงสง์ว่าสงทั้งหมดสงควรให้ท่านอาจารย์ลูกนี่รับหรือเปล่าก็อากังกมะปันเตร <c oughs> <c oughs> ุดตติปันเตซาสุปันเตรับไปองค์ที่สองถ้าหากสง์ทั้งหมดเห็นพร้อมก็ให้สงทั้งหมดนิ่งอยู่ เห็นไหมล่ะองค์ที่สองเป็นของยากแลกว้วก็มาสวสดยติรุติจกรรมวาจาพัางเผอไม่ได้ให้สองรูปน่นให้ผ้ากฐินถวายค่ากฐินต้องหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ให้รูปเดียวนะไม่สมบูรณ์แบบถ้าถวายรูปเดียวน่นต้องสององค์เห็นพร้อมกัน สิ่งสวดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หนะ้โ ม, โมเนื้ออะไรก็ไปให้พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันสุ ก, ก็สุเหมือนกันสุนาบางแหงก็ไปรับเอานาไปน็นองค์หนึ่ง <c oughs> ต้องให้พร้อมกันทุกคําทุกคำํำว <c oughs> ัดคำเต้าก็ไปเล่งสอบซ่อมไว้ด้วยจะให้ผิดให้พลาดถ้าอยากได้อันนี้สงอันนี้สงของพระแต่อันนี้สงห้าประการ ส่วนญาติโยมก็ได้ไตลอดแล้ววิธีทำทานเป็นของยากอันดับต่อไปพิธีทำบุญยกมือขึ้นใส่หัวมือ้ายบางบนตักมือขวัทับมือไส้หลับตาเบาๆเอาสติไปดูลมอย่างเตือนไว้เมื่อคืนนี่บางคนอาจจะมาจังไม่เคยได้รู้ว่าทำบุญกับทำทานแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นให้ทำบุญทำบุญอาหารใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ลมครับตาด้วยปิดหูใ้ายัวปิดตาสองข้างปิดปากเสียบางเดี๋ยวดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเพิ่งบอกว่าให้ปิดหูปิดตาปิดปากปิดเป็นไม้ลายทั้ง น, นูทั้งนอกยังคุยกันอยู่นู่นดูลมเข้าลมออก อสมควรจะเวลาแล้วตอนสติออกมาฟังอีกนิดหน่อยก่อนเรื่องทานก็พูดไปแล้วที่นี่เรื่องพูดเรื่องบุญไปวัดไปทำบุญ น, นะถ้าเข้าในวัดเราถ้าเป็นไปได้ขอว่ากดเน้นๆดอกหน่อยพิธีงานใหญ่ๆเป็นพิธีช่วยพระสงฆ์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาถ้าเรามาด้วยความสงบนั่นช่วยเผยแผ่ช่วยกันเข้าใจทําบุญเข้าวัดทําบุญเข้าวัดทําบุญแต่เข้าวัดเรามาทําบาปอันถูกต้องะอะไรนู่นนี่นู่นยังห้ามไม่ได้อยู่พวกนู่นยังคุยกันอยู่นู่นอยากให้เป็นตัวอย่างเสียบ้าอ้าจังหวัดนครพนมวัดป่าดงตีว้วสงบดี ทำบุญด้วยความสงบไม่ใช่ทำบุญด้วยความวุ่นวายถ้าวุ่นวายทำบาปถ้าอยู่ทางบ้านเรื่องทางโลกหลวงปู่ไม่จำหรอกอันนี้เข้าวัดถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันเผยแผ่ใครจะช่วยกันรักษาพระพุทธเจ้าสอนบอกไว้ว่าผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนา จเจริญรุ่งเรืองไปได้นานแสนนานก็คือพุทธบริษัท4ภิกษุสมณเนรพิษุก็คือพระใครก็รู้อยู่แล้วสมัยก่อนพิชุกพิชุนีอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้พิกษุนีหมดไปแล้วก็เลยมีสมณเนรมาแทนภิกษุสมณเนรอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้เก่ง วิธีกรรมการทำงานทำบุญใหญ่ๆควรที่จะทําให้เป็นแนวทางของผู้อื่นได้สัมผัสทางด้านจิตใจว่านะถ้าเราสงบมันสัมผัสทางใจนะว่ามีความสุขถ้าวุ่นวายแล้วก็เลยเราอยู่ในโลกโดยความวุ่นวายเข้าวัดกว่าวุ่นวายอีกเหมือนเดิมเลยไม่มีสติเลยไม่มีปัญญาว่าถูกต้องกับถูกใจเป็นยังไงทานกับบุญมั น, นเป็นยังไงเห็นไหมทานเป็นอามิตรบูชา วุ่นวุ่นุงเมื่อกี้เป็นยังไงล่ะข้าวน้ำพอชนะอาหารแตงขานร่างกายเครื่องโน้มเคงงมเครื่องใช้ต่างๆนานาเป็นสําหรับร่างกายทั้งขานร่างกายมันเที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเลี้ยงเท่าไหร่แต่งเท่าไหร่รักษาเท่าไหร่ไปหาหมอดีเท่าไหร่หายแล้วหายแล้วยังอยู่ใช่ไหมคือตายดีไม่ดีกิเลสยังเยอะแยะอยู่กอเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับจีกันถ้าอยากรู้เข้าสมาธิดู นี่เราไม่เคยเข้าสมาธิไปวัดไปไปวุ่นอยู่เหมือนเดิมทานศีลสมาธิทานศีลบุญทานศีลภาวนานั่นพระพุทธเจ้าได้ศีลได้ทำมาสอนคนเราเป็นคนไหมถ้าเป็นคนทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหระทำเข้าวัดแค่นี้ถ้าไม่อยากเข้ามาทำบุญก็อยากเข้ามาวุ่นวายดีกว่ายุ่งพระนั่นถูกไหมคนเราชอบยุ่ง ยุ่งบ้านโลกไม่แล้วจังไม่แล้วจะไปยุ่ ง, งที่วัดอีกนะทำไมถ้ า, ถ า, าบ้านหอวงพ่อไม่ว่านะบ้านหลวงพ่อนะั่นบ้านหลวงพ่อนี่นั่น <c oughs> วัดกายได้กลาบวัดวาจาอิมินาสกาเรนะวัดใจให้นิ่งให้สงบช่วยกันวัดใจช่วยกันดูใจที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือใจใจไม่มีเกิเลจใจพาไปสวรรค์ไปพันิพยานได้ ดูจากไว้มีกิเลสกิเลสเป็นยังไงที่นี่รักโลกหาข้อมูลถ้ามีสมาธิมีปัญญาหาข้อมูลว่ารักทําไมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงจึงบอกว่ารักมันเป็นนรกโลกมันเป็นนรกหรืออีกคํานึ่งทางข่านิจมแบบโลกล่ํารวยสวยงามแต่สวยงามเกิดความรักถ้าล่ํารวยเกิดความโลภใช่ไหมล้วก็ดูลมหายใจเขาออกความรักมีไหมความโลภมีไหม แต่คนไม่ทำสนุกเมื่อฟ้าไม่แต่แดดกับฝนสนุกเมืองค้นไม่แต่กินกับเล่นนั่นมันติดอยู่นีแล้วจะได้ไปสาได้ไหมถ้าในคนดูคนรู้คนเห็นคนไปพระเจ้าคนไปสวรรค์ไปพันิพานนี่เราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นง่ายไหมคำตอบป่ไม่ดูอะไรไม่ดูสวรรค์ไม่ดูบุูนไปดูแต่บาปอะไรบาปทับทิศง่ายๆตัวเดียว ใจใกายตัวกายนี่ยตัวบาปตัวใจตัวบุญถ้าใจมีศีลธรรมใจทำบุญถ้าใจไม่มีบุญก็ไปรักไปโลภ บ, บาปนั่นแหละใจเป็นนายกายเป็นบา่าวต้องมีเครื่องปกป้องปกปกัปกรักษาใจของรักษาใจคือลมนะถ้าเห็นลมก็จะเห็นว่าความรักความโลภมั น, เ ป, นเป็นอันตราย พระพุทธเจ้าจึงตัดออกไปจะให้มีความรักจะให้มีความโลภนี่ข้อใหญ่ๆถ้าหมดสองตัวเนี่ยอย่างอื่นก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดก็ว่าเห็นก็ตัวพยามารจิเลตมันเยอะแยะอยู่แต่มีตัวใหญ่กั้นออกไว้แล้วถทะลุตัวใหญ่มันจะมาทางรักโลภลูกตัวเล็กๆก็มาอีกเห็นอีกปาบได้อีกนี่ถ้าไม่เห็นตัวใหญ่ก็ตัวเล็กเข้ามาก็ไม่เห็นเหมือนเดิมไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเห็นไหมเมื่อกี้หลวงปู่บอก นั่นแหละคำสอนของกูเจ้าให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาหรือให้ทำบุญนี่นี่คนไทยใดอย่างเดียวคือมีการทำทานวันศีลวันพระบ้านนี่มีจีหลังคามาครบทุกบ้านไหมคำพูดฉันเป็นชาวไทยเจ้าพุทธชาวไทย้าพุทแต่ไม่รู้จักวันศีลวันพระถ้าไม่รู้จักวันศีลไม่รู้วันพระที่เราก็ภาวน า, า, วนาทำบุญยิ่งไปใหญ่ะทินี้ ต้องพร้อมด้วยองค์สามประการจึงจะรู้จักคำว่าบุญกับบาปมันเป็นยังไงนั่นทานศีลภาวนานี่ไปขาดไปแล้วยังอยู่ตัวเดียวคือทานเห็นไหมสิ่งของมอเช่าเหนือเหนือไหมไม่รู้กี่ถาดที่ถาดหลวงพอ่อยอมเพราะฉะนั้นจึงให้มีวิธีเอาลับประเคนท่างนอกเพื่อสะดวกแต่ญาติยมลงสมัยก่อนไม่รถไม่อะไรไมาเฉ็นไม่รู้กี่ชั่วโมงก็ไม่เสร็จ เวลากอบฉันก็นิดหน่อยก็ไม่หมดเมื่อเวลาของเยอะๆตักไว้อันละชอนอันละช้อนอันละช้ะชะเต็มบาทแล้ว น, นี่เอาแบบนั้นไปพอฉันแล้วเขาเข้ามานั่งเลยสะดวกไหมน่เอาแบบพระกรรมาฐานแบบป่าๆหลวงปู่ไรอยู่ที่อังกฤษให้จ้าจมใส่อาหารพร้อมใส่ข้าวพร้อม บางคนใส่หอ่อใส่กรลับมาไม่เอาเทออกแทนที่จะไปทําบุญช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนาไปแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ให้เกิดจิเลศเห็นไหมโมกี้นี่พระฉันก็ยังเสริมโน่นเสริมนี่เสริมโน่นเสริมนี่ว่าทําให้พระคุ้นเคยอลไรยินดีกับแซ่บกับนัวพระเจ้าสอนพระสงฆ์ข บ, บวัดว่าไง ถามหาอะไรก่อนเพื่อนอาจารเตปัตโตท่านมีบาดหรือจังนั่นบินิจะโลปโภพอชะนังนิสัยาบรรพชาตะตาเตยจะปฏิวังอวัฏฏหกรณีโยจึงบินตบาดเลี้ยงคีบได้บาดมาแล้วบินทบาตเลี้ยงคีบตลอดชีวิตเถิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามหาถ้วยปัตโตจานปัตโตอาจันเตปินโตอาจันโตถ้วยจานพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามอย่างนั้น อยากให้ช่วยกันรักษาไม่นานช่วยพระสงฆ์รักษาช่วยพระสงฆ์ถากกิเลสอย่ามาโอบกิเลสให้พระสงฆ์มันเกิดสวนมากเราก็จนอย่างนี้แหละไม่เข้าใจถ้าให้ถูกต้องจริงๆพระสงฆ์ไปเป็นตาบาทถ้าอาหารพอฉันนี่มลหลวงปู่กับป้าเดี๋ยวนี้เอาเป็นรถเป็นแข่งแล้วเดี๋ยนี้นะนัะน่นทำไมก่อนเรกเป็นยังไงถ้าไปเป็นตบาทมาได้ข่าวแห่งมันก็นมาตากข่าวแห่งขาย เอาไปมาทะเลาะกันนี่หลวงพ่อสองโลปไปเป็นจำพรรสนากันตากเขาแหง้งเอ า, เอาดงเขาแห้งไปไว้ใกล้กั น, นมาเมื่อคืนไปกินดงนึงพงผนว่าหลวงพ่อรัะเขาแหง้กงก็เลยเกิดทะเลาะกันมันห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อไปว่าในกลางพรรษาเื่อตัวไม่ต้องด้วยบอกซื้อบ้านก็ได้หรอก <c oughs> ไป <c oughs> สำหรับ ส, สาัสรางหลวงคว่ำพะทะเลาะกันโอ้ย มึงพอเอ้ยจะถหาแนวหย่งขอพระเจ้าสอนแนี่มาหาสินหาธรรมบนมหาท ร, าหาารัพย์สมบัติกันมรรคทรัพย์สมบัติกดซื้อกไปหาเอาก็ได้ตัวเขาจิตจมเขาจิตดาไ่ได้ยินติพวกขี้เกียจขี้ข้านว่าล่นหลอกกินพระสริทัังเวชจุดนี้ตีพระเจ้าให้หาศีลหาธรรมหามรรคหาผลหาสวรรค์หาเนพานเพื่อไม่ต้องมาเกิดแก่เ ก, ก็บตายหาง่ายเพราะสวรรค์เนปานเบิ้งล้มหายใจก็ออกไม่ได้ซื้อจักบาด จึงพระจำพระเจ้าพระสงฆ์บ่เคยเห็นติดจึงพระจำให้ยาต่วมทำบุญนะมันบริสุทธิ์ขันเขาวัดว่าได้ยู่บ้านก็ น, นั่งบ้างได้ด้วยันเกิดวันสำคัญลูกสารญาติเพื่นนอกมาจากเมืองกรุงเทพกรุงราไปใส่มาใสา่มาร่วมกันกินข้าวกินน้ำมาร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกันทำบุญไปมาหาขต้ตมขนมไปขายแจกพระให้พระยงคนเราชอบจุง้งใช่ไหมเวลาฉันยนิดๆหน่อยอานั้นลงเพาะเอานี่ลงเพาะ นั่นหวานอันนี้เข้าในท้องมีถ้วยหวานถ้วยข้าวเพราะฟาดมันลงไปไม่ปัญญาขากิเลสไม่ได้มีดดาบได้ขากิเลสอ่ะนัเพราะไม่มีปัญญาเพราเห็นกิเลสก็เพราะไม่มีสมาธินั่นเห็นสมาธิปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นจะใครพักกันเขาวัดไห็มีปัญญาเห็นมันเงียบง่ายตลวงพาะว่าแล้ว แต่บ้านไหรสนใจลบอกให้เงียบแอากันยังไปว่าท่าท้ายหลวงพ่อยีุ่่นจ้องกวาใจให้ปีี่หวกล้วยหลวง่อวสมัยต่อไปจะเป็นสมัยปีปีใส่หูปกเกลยนี่หลวงพ่อปีนี่นี่เป็นหูคนก็เงียบนี่บ้านของเขาเมืองของเขาเดยเป็นเมืองหูค้นเลยนี่เพราะว่าวก็มิดแต่เมื่อเสารดยวขมานีาลาปได้ยิมเสียงเลย พี่รุ่นต่อไปเห็นักข่าวมาถ่ายดกน้าแต่เจ้าเนี่ก็ส่งได้ขาเจ้าถ่ายโทรศัพท์ส่งให้กันอไปแล้วเฮ็ดบุญบานนั้นเฮ็ดบุญบานนี้เงียบสงบสงับก็เจ้ากับนุโมตาน่าำเป็นบ่นบุญไหวกับติหลวงพ่อไะหลวงพ่อคือบ่บอกเขาแน่เน้นบ่หล่ะติกรรมนี้มาแล้วกันเฮ็ดพอดีทําดีทําดีหู่จักว่าทําดีเไยไปป่นไปกี้ไปคาไปตีเขาก็ว่าทําดีติด อยู่ในเล่นจำเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าสอนคือเหตุได้ท่นพะระพุทธเจ้าสอนให้มีความสงบเรียบร้อยเมตตาตนรักเขาเหมือนรักเรารักเราเหมือนรักเขาตัวเขาเหมือนตัวเราใจเขาเหมือนใจเรากูจะขึ้นนี้บพราบัดโรกงกันหลอกล่วงปีนป้อนกันเอารับเอเปรเียบกันโอ้ยเป่าเหตุเป่าทำบ่ได้ซื้ออาหารใจแใจ้งใจรักษาใจแนะ่จะไปรักษาหลายของปวดของเนา่า คือท้องทุกเศ้าสุกแรงสังขาร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเนีบสถ์สัมเข้าไปตัวไม่มีแต่ของโบสถ์ของเน่าจะในตัวเรากเนี่ยบว่าเข้าไปอบว่ากับพระเจ้ากับว่าจะด้มันเป็นสั้นดิกอดของโบสถ์ของเน่าหาเนี่ยมาโบสถ์ของโบสถ์ของเน่าก็สอบข้อของปฏิคนเคลื่อนตัวได้ซื้อได้เนี่เอาเบิ้งเข้าไปดูหาสบู่เนว่าถูก้อนตะไคร์หาจ่าจีฟันมาถูก้อนตะไคร์เหม็นบอ ยาตีฟันมันหอมสบู่ก็หอมแต่คนมันเหม็นกันว่าเหม็นเกลียดโอ้ยเหม็นใหญ่โอ้ยเหม็นนั่งนั่นนั่งนี่ปุ๋นเกลียดงมโหตัวโสที่มาว่าเหม็นจังไดน้ำหอมลูกหลานส่งให้จากประเทศนอกูด้วยนั่นเป็นเ่าเถียงเขาต่งได้อไปหาเรื่องตะเลาะกันนี่เขาว่าเหม็นบพย่อมมันย่อมสาธุเจ้าว่าถูกแล้วโมมีปัญหาดิไม่ใช่เหม็นแทะสาธุเจ้าว่าถูกแล้ว เ, เขาบอกต่ำวมกิ่งเป็นบุยอมมันก็เหม็นอีหลีตัวหน้าน้ำหอมก็หอมอยู่ข้าวเดียวก็เหม็นอีกอยางไงเน้นหนักภาคทำบุญนะทานศีลบุญพระเจ้าได้ตรัสรูปมาแล้วสอนจ่าโจมทำอะไรให้ทำทานให้รักษาศีลให้ทำบุญหรือภาวนาพูดง่ายๆเราพูดกันอยู่บ่อยๆไปวัดทำบุญทำทาน แต่ว่าบุญบระทับทีบัดก็ได้แต่ทำท่านต้องอย่าทิ้งคํว่าทำบุญด้ว ย, ยทานศีลบุญทานศีลภาวนาต้ตีกลับไปกลับมานะคําของพระพุทธเจ้าถ้าพูดไปชั่วเดียวเลยไม่เข้าใจทานอาหารกายบุญอาหารใจสังขารร่างกายมันยุง่งนั่นบอกแล้วเมื่อกี้เกิดต้องแก่เก็บตายนี่เรียกว่าโลกธรรมะที่ไตยพวกเราทำแบบธรรมะที่ไตยปีที่แล้วมี แห่ต้นจตุปัจจัยอ้มอมหลวงปู่วัดไม่ต้องแอะก็ได้หรอเลยมาถึงวัดแล้ว ป, ปีนี้ไ ม, ม่ต้องแห่แหจากบ้านมาถึงวัดวก็พอดีแล้วนี่พูดงอสอนง่า ย, ายก็น่ามาอยู่นะช่วยพระศช่วยวัดวาศาสานาวัดพัฒนาตัวยอย่างหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างเข้าไปอีกที่ถ้าเราทําดีเนาะตาบลพัฒนาตัวย àng, อย่างอําเภอพัฒนาตัวอย่าง ประเทศไทยพัฒนาตัวอย่างก็ได้ว่าได้สิเพราตัวอย่างเนี่ยทังที่ดีนี่ตัวอย่างไประเทตไดผู้รักผู้ใหยแต่งตั้งขึ้นมากระทช่วงนั้นกระช่วงนี้กระช่วงวัฒนธรรมกับช่วงสำนักพุทธพุ่นมือาเขาเหตุปัญหาแห่ดอกไม้ถูกเช่นอ้อมบานอ้อมเมืองแห่ก็ถิ้นอ้อมบ้านอ้อมเมืองกล่องตีกลองควแอควนแอนเขาวัดก็ยังแห่ควนอยู่ กี่โขกี่เกเมื่อไส้ถือกวดเราเมื่อขวับฟอนเกี่ยวกันไปจากลูกผู้ใดจากแฟนผู้ใดแน่เตวงานเราไปทะเลาะกันหน้าบาา้ า, บานื้อลาบ้านไปหาฟอนนําวัดนําไห ว, วเกี่ยวผู้สอบผู้ไส้เกี่ยวผู้หญ้าผู้หญิงดว่ากันดีเป็นเรื่องวาสนานนท่านติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปเรียบง่ายสงบสงบทางกายสงบวาจาสงบจิตใจกายของเราก็ไปเรียบง่ายเดินไป ภาวนาไปด้วยไม่ต้องไปย้อนฟ่อนให้พระเจ้าประสงค์ได้เห็นเป็นบาปอีกต่อห้ามพระพิสุส่์ทําดูเขากันฟ่อนลำทับคมดิดสีตีเป่ า, น, าป น, นั่นห้ามไว้เราด้วยนั่นนี่ห้ามพระประยมไปหาเหตุดวยย้อนขวนกิเลสแข่งดอกไม้ถูกเที่ยนหรือเปล่า ไ, แ, ไแข่งนั่งเนงพมาศผู้ใดลูกโป่งก้มูข้นไปเบื้องหลายนั่งนงพมาศเขาอย่างเป็นเครื่องวัดว่าผู้ใดงาม เขาเครื่องคนไปดูหลายผูไ้ได้แต่งตัวโป้หลายเ<ๆ>ขาไปเบื้องหลายนั่นขั้นตีนั่นตีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทำบุญนะเอ้ยทำละเอียดในตานะเรามีโอกาสดีออกตนจากดวงลูกหลานจตกตีพน้องความตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เสียสละมารวมกันแสดงออกซึ่งเป็นการรับกรถินสามัคคีทอดถวายกระถินนถามคีโดยเฉพาะพวกเราเน่นหนักภาคธรรมมาธิปไตย เอาทำเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกาธิปไตยเรื่องของโล ก, โลกตัดออกไปไปเรื่องงานของโลกเรื่องของบุญภายในวัด ต, ต้องเอาบุญเป็นใหญ่เอาทำเป็นใหญ่เป็นบุญกุศลช่วยกันปกป้องปกปกัปกรษราพัฒนารักษาพัฒนาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพัฒนาตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีนี่เป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราพร้อมืตั้งพระเจ้าสงฆ์พระสงฆ์ได้กระทําแล้วนี่ คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งจักจิตทัิงหลายในสาคลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้กองปกปักรักษาอกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องต้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปัตตนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความมุ่ง ม, มา่นปัตตนาจงทุกสิ่งทุกประการเถอด